วันนี้วันสิบห้าคำเดือนหกประเทศอื่นเขาวิสาขาแล้วปีนี้เมืองไทยวิสาขาเช้าอ่ะชาวบ้านเขาเดินบเดินแปดสองหนเลยเลื่อนวิสาขาไปอีกไม่เหมือนใครไม่จำเป็นต้องเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอินเดีย เจ้าชายสิทธัตถะเกิดอินเดียพระพุทธเจ้าไม่เคยหายไปไหนถ้าเราภาวนานะใจของเราเข้าถึงความเป็นพระจริงๆเกิดพระบารมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตของเรานี่เองพระพุทธเจ้าเนนั้พระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ ถ้าหากเราไม่เข้าใจธรรม ะ, ะถึงเราจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแต่รูปนามธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ของท่านมันก็เน่าเปื่อยแตกสลายเช่นเดียวกับธาตุขันธ์อื่นๆนั่นแหละสมัยก่อนมีพระองค์หนึ่งชื่อพระวัคคลิมาบวชเนะยเพาพอใจ ในรูปโฉมของพระพุทธเจ้านพอใจได้เห็นแล้วมีความสุขรื่มใจอยู่ได้เห็นเรื่อยๆสบายใจยอมมาบวชเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกวันไม่ภาวนาตามดูอย่างเดียวเลยพระพเจ้าัดไล่ไปท่านจะไปโดดหน้าผาตายเสียใจเสียใจว่าจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีก คููเจ้าฉายพระรัศมีไปอันนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ไม่แปลกใจหรอกทีู่ใ้ใจเจ้าจะไปปรากฏในที่ใดอะไรเงี้ยสมัยเรานี่ยังมีเลยครูบาอาจารย์บางองค์แต่ก่อนหลวงพอ่อก็ไปหินหมักเป้งพวกที่หินหมักเป้งกลางคืนบางทีถ้าขี้เกียจภาวนาเห็นหลวงปู่มาชะโงก ประตูกุฏิเลยเราตอนเช้าเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ยิ้มหวานนอนสบายไหมทักทายถ้าคนไหนภาวนาหลวงปู่ถามภาวนาสบายไหมภาวนาเป็นไง <S <S 1> <S 1> <S พระวักะลีท่านเห็นพระพุทธเจ้าก็ปลื้มใจขึ้นมาอีกไม่โดดเขาเจ้าท่านก็แสดงธรรมให้ฟัง ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตรถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมรางั้นพระตรถาคตเจ้ากระทำนั้นเป็นสิ่งเดียวกันแหละท่านบอกเกีย ม, มารักใคร่ผูกพันอะไรกับธาตุขันธ์นะี้ซึ่งมันต้องแตกสลายเน่าเปลื่อยไปในอนาคตถึงจะจับจีวรท่านอยู่จับชายจีวรท่านอยู่ไม่เรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้า ยังพวกเราเนี้ยไม่มีโอกาสจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสเห็นรูปโมพระพุทธเจ้าเหมือนพระวกกะลิขนาดนพระวกกะลิจับจีวรพระพทเจ้าอยู่ท่านอย่างว่าไม่เห็นท่านเลยถ้าพวกเราอยากรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราก็ต้องภาวนาเป็นใจของเราธรรมะมันเป็นอันเดียวกันให้จิตมันเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมา เราจะพบว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหายไปไหนพระๆๆพุทธเจ้านั้นมีคุณสมบัติเหนือกว่าภาษาวกทั้งหลายคือมีพระปัญญาที่คุณท่านตรัสรู้ด้วยตัวเองมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีปัญญาแจ้งนะเข้าถึงความบริสุทธิ์มีการุณาที่คุณท่านจำแนกยจกธรรม ธรรมาที่ท่านสอนไว้นั้นมีมากมายโบราณก็บอกแ4ดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์ทานับยังไงนับไม่ถูกหรอกเราว่าจัดไว้แ4ด0มืสี่พันสำนวนแขกมากก็แ4ด0 0สี่พันถ้ามากน้อยลงมาหน่อยก็ได้ห้าร้อยโจรห้าร้อยไม่ใช่โจนห้าร้อยคนโจนเยอะแต่แ4ด0มนสี่พันนี่เยอะมาก มากกว่านั้นจะขึ้นไปอัพขึ้นไปทีเดียวแสนโกดเลยวิธีนับแบบแขกถ้าถ้า3หรือ7จอเงี้ยถือว่าเล็กน้อยถ้าโสดาบันเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเกิดอีกนิดหน่อยสำนวนแขกเป็นงั้นเจไม่ได้แปลว่าเจ0ดห้าร้อยไม่ได้แปลว่า5้ารอธรรมะ8มพันพระธรรมขันธ์ฟังแล้วเยอะอมถึงท่านแสดงทําให้มากมาย ถ้าไปดูให้ดีก็จะพบว่าที่ท่านแสดงมากมายเพราะท่านแสดงกับมนุษย์และเทวดามากมายทําบางงานท่านก็แสดงให้เทวดาฟังบางงานก็แสดงให้มนุษย์ฟังแต่ละคนที่ฟังแต่ละองค์ที่ฟังนะั้นฟังไม่มากธรรมะเพื่อการปฏิบัติของคนคนหนึ่งนะั้นหรือของเทวดาองค์หนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่พอคนมีจํานวนมากนะท่านสอน ยากย้ายถ่ายเทไปตามจริตนิสัยของผู้คนซึ่งมีมากมายธรรมะเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยพอเยอะมากๆเนี่ยมาถึงพวกเราเนี่ยไม่มีใครจำแนกแจกทำให้เราธรรมะอยู่ในตู้เยอะแยะเลยไม่มีคนมาแจกทำให้เราว่าเราสมควรทำกับข้อนี้เหมาะกับธรรมะข้อนี้ข้อนี้คนสมัยพุทธกาลนั้นมีพระพุทธเจ้าจำแนกแจกทำให้นะ ขอเราไม่มีนี่เราขาดทุนตรงนี้แหละพอธรรมะมีมากเลยไม่รู้จะเริ่ ม, มลงมือปฏิบัติยังไงะสับสนจับแก่นไม่ได้สักทีไปอ่านพระไตรปิฎกนหะลวงพ่ออ่านเยอะมากเลยนะทําสมถะตั้งแต่เจ็ดขวบแนละ้วพอโตขึ้นมาเนี่ยนั่งอ่านพระไตรปิฎกหวังว่าจะหาวิธีปฏิบัติทําไงให้มันพ้นทุกข์ไปได้ทําสมถะไม่พ้นทุกข์ นืธรรมาทิพย์พเจ้าให้ไว้เลยเยอะยันท่านถึงพร้อมมีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์ที่คุณมีกรุณาที่คุณกรุณาของท่านกว้างใหญ่ไพศาลสาวกไม่มีกรุณาเท่าท่านสาวกไม่มีปัญญาเท่าท่านแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกับท่านก็คือความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกัน งั้นบางทีเราได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปน็นอันเดียวกันนะก็ต้องเข้าใจว่าท่านมงเล็บคําว่าด้วยความบริสุทธิ์ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์โดยความบริสุทธิ์คือเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันวิสุทธิ์ที่นะงันพอเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ มันเหมือนเราสัมผัสแต่ต้องพระพุทธเจ้าได้แล้วใจเราสกปรกโสมมห่างไกลธรรมะเราไม่เห็นกันทั้งเงาของพระพุทธเจ้างั้นบางคนมาชวนหลวงพ่อไปอินเดียนะแล้วก็ขี้เกียจไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อินเดียแต่ไปได้ก็ดีถ้าอินทรีเราไม่แข็งนะการได้ไปไหวสังเวชนียสถาน ที่ที่ควรสังเวทที่ที่พึงสังเวทสังเวชนียสถานไม่ใช่แต่ว่าที่ที่ต้องไปกราบไหว้นะเป็นที่ที่พึงสังเวชสังเวทใจเมื่อเราไปถึงที่นี้พระพุทธเจ้าเคยประสูนที่นี้ตรัสรู้ที่นี้แสดงปฐมเทศนาที่นี้ปรินิพานเราไปสังเวทยังไงสังเวทว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าดํารงพระชนอยู่นะ เสร็จแล้วท่านก็แสดงธรรมะให้เราดูนะคือมีแล้วก็หายไปธนะาตุขันของท่านหายไปแล้วใจเราก็จะต้องระลึกดูขนาดพระพุทธเจ้านะมีคุณธรรมสูงขนาดนั้นบริสุทธิ์หมดจดขนาดนั้นท่านยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เลยเราเองวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นใจก็น้อมกลับเข้ามานะพิจารณาธรรมะไปเพื่อใ ห, ให้เห็นธรรมะ ไม่ใช่ไปไหว้เอาบุญถ้าอยากได้บุญก็ต้องประกอบด้วยปัญญาอย่างเดินทางไปไหว้สังเวชนียสถานลำบากถาว่าได้บุญไม่ได้บุญที่ขวนกว๋ายไปแต่ถ้าได้ปัญญาด้วยไปแล้วมีความสังเวชใจเพราะได้เห็นความจริงของชีวิตชีวิตทั้งหลายเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็แตกดับไปแม้เราเองวันหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนั้น ใ, ใจสังเวทในธรรมะนียขึ้นมาด้วยปัญญาบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะงั้นถ้าไปไหว้ไหวแล้วกะว่าจะขึ้นสวรรค์อะไรก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่สวรรค์ต้นๆนหน่อยถ้าไปไหว้แล้วเกิดปัญญาอาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะนิพพานไปก่อน น, <S <S 2> <S 2> นี่ถ้าเรายัางไม่มีโอกาสไปนะเราก็มาปฏิบัติเอา เราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเหมือนกันสิ่งใดที่ท่านห้ามเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่ท่านแนะนำเราก็ทำท่านบอกอย่าไปทำบาปทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่ท่านห้ามไม่ทำบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงเป็นบาปทางกายทางวาจาทางใจทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลอะไรถึงจะถึงพร้อมมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ก็เป็นกูสนที่ถึงพร้อมมีศ so, so, ีลอย่างเดียวไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใช้ไม่ได้มีสมาธิอย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้มีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลไม่มีสมาธิรองรับก็ใช้ไม่ได้ปัญญาที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิรองรับเป็นปัญญามหาโจรปัญญาเข้าข้างกิเลสเดินปัญญาร้างกิเลสนั้นมีศีลมีสมาธิเป็นบาตเป็นฐานรองรับขึ้นมา ความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงจะมีขึ้นมาถ้าเราเห็นภาพพระนะพระพุทธรูปคนโบราณเก่งพระพุทธรูปจะมีฐานเป็นชั้นๆถ้าถูกต้องก็มีฐานสามชั้นอาจจะแถมดอกบัวอีกชั้นหนึ่งข้างบนมีพระพุทธรูปก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองรองรับกันขึ้นไปเป็นชั้นๆแล้วก็ถึงองค์พระพุทธรูปถึงความเป็นพุทธะ ของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากสัมผัสพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไต่ฐานขึ้นไปฐานของศีลของสมาธิของปัญญาละทิ้งไม่ได้ศีล ส, สำคัญมากทุกวันนี้โลกร้อนเหลือเกินผู้คนเบียดเบียนกันเต็มไปหมดเลยเพราะไม่เห็นคุณค่าของศีลเบียดเบียนกันมาก แย่งยำนาจกันเผาบ้านเผาเมืองทำลายกันได้มากมายฆ่ากันได้ใส่ร้ายกันได้ยังคาว่าผลประโยชน์หรือความเห็นขัดแย้งกันก็ทำลายกันได้อย่างเลือดเย็นถ้ามีศีลเป็นเครื่องตีกรอบของจิตใจไว้กิเลสมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละแต่ทำไมคนนึงทำตามกิเลสคนนึงไม่ทำตามกิเลส ศีลนั้นเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ไหลตามกิเลสนั้นศีลเนี่ยต้องข่มจิตไม่ให้ไหลตามกิเลสไม่เหมือนสมาธิสมาธินั้นกิเลสมันอ่อนแรงลงล้สมาธิเลยเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้ยอมจิตส่วนปัญญานั้นเป็นเครื่องล้างกิเลสอย่างถึงรากถึงขคนเนี่ยเราต้องพัฒนานะมนะันศีลสมาธิปัญญานั้นก็เป็นเครื่องสู้กิเลสเท่านั้นเลย เมื่อกิเลสยังรุนแรงสู้มันไม่ไหวก็ข่มใจไว้ไม่ทำตามกิเลสมีโอกาสโกงก็ไม่โกงมีโอกาสช่อดฉนหลอกลวงเขาก็ไม่ช่อฉนหลอกลวงมีโอกาสทำร้ายก็ไม่ทำร้ายมีโอกาสประพฤติผิดในกรรมไม่ประพฤติผิดอย่างนี้ถึงเรียกว่ามีศีลถ้าตำรวจยืนอยู่เต็มเลยอยากจะไปปล้นธนาคาร วันนั้นตำรวจไปอยู่เต็มธนาคารเลยไปทำไรไม่รู้ตำรวจชอบอยู่ธนาคารชอบอยู่ร้านทอง <c oughs> นะก็ดีช่วยดูแลประชาชน <c oughs> ไม่มีโอกาสจะปล้นเลยขืนป้นต้องถูกยิงตายอย่างนั้นไม่เรียกว่ามีศีลนะเข้าไปในธนาคารแล้วเปลี่ยนใจไม่ปล้นเพราะเห็นตำรวจเยอะแยะมันไม่มีโอกาสทำชั่วและแก่มากนะอายุร้อยี่สิบปี เห็นเด็กๆแล้วอ้ออ้ออยากจีบไม่มีแรงลุกขึ้นมาจีบไม่ได้มีศีลว่าไม่ประพฤติผิดในกรรมแต่ไม่มีความสามารถที่จะทําผิดถ้ามันเป็นสภาวะที่มีโอกาสทําชั่วแล้วไม่ทํนะขมใจไว้ได้ควบคุมจิตใจไว้ได้ถึงจะเรียกว่ามีศีลนี่นะนเราคอยรู้ทันกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่ใจเรานะเราคอยรู้ทันไว้ กิเลเนี่ยมันแปลกอย่างหนึง่งถ้าเรารู้ทันนะมันจะครอบงำจิตใจไม่ได้ถ้ามันไม่รู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันมันนะมันจะครอบงำจิตใจเร่าร้อนทุรนทุรายาเผลอแวบเดียวก็ทำผิดศีลไปแล้วงั้นการถือศีลนะเบื้องต้นนะรักษาจิตเอาไว้ด้วยสตินี่แหละดีที่สุดเลยนะมีสติคอยรู้เท่าทัน กิเลสใดๆเกิดขึ้นที่จิตเคยรู้ทันนะมันจะไม่ผิดศีลถ้าอย่างนี้ถือศีลอย่างนี้ศีลง่ายศีล ส, สบายแต่ถ้าเรายังไม่มีสติรักษาจิตนะศีลเราเป็นศีนลลําบากต้องข่มใจมากเห็นของเขาตกอยู่อยากได้อยากหยิบฉวยไม่ใช่ของเราเจ้าของเดินอยู่ข้างหน้าเรียกเขามาเราก็ได้จะเรียกดีหรือไม่ดีจะเรียกดีหรือไม่ดีนะเปนดีเขาเดินหายไปเลย เรเลยไปหยิบมาของไม่มีเจ้าของศีลดังพลอยแล้วต้องข่มใจมากเลยที่จะไม่ทําชั่วแต่ถ้าเรามีสติรักษาจิตมีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตอันนี้เป็นศีลสบายรักษาง่ายรักษาจิตไว้อันเดียวเองไม่ต้องข่มมากใช้สติรู้เท่าทันกิเลสที่เข้ามาสู่จิตเราก็ไม่ต้องข่มจิตมาก ถ้าพวกเรามีศีลห้าได้นะเรียกว่าเราใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วแต่ถ้าพวกเราไม่มีศีลห้าเราไกลพระพุทธเจ้ามากเลยจับจีวรท่านอยู่เห็นพระรูปพระชมอยู่ก็ไม่ถือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยนะยังห่างไกลเหลือเกินพระใจเราสกปรกมากยังพวกเราตั้งใจรักษาศีลไว้นะเบื้องต้นอาจจะรู้สึกว่ารักษายากแต่ให้ใช้สตินี่แหละ คอรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตถ้าราคะเกิดที่จิตเรารู้ทันเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะราคะโทสะเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันเราจะไม่ท okay ําผิดศีลเพราะโทสะความเห็นผิดเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราไม่ทําผิดศีลเพราะความเห็นผิดอย่างเงี้ยความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยเรารู้ทันเราก็ไม่ทําผิดศีลเพราะความฟุ้งซ่าน อันนี้การรักษาศีลจะง่ายเรารักษาใช้สติรักษาจิตไว้คอยรู้ทันเท่านั้นนะฐานนั้นที่สองของพระนั่นก็คือสมาธิเราก็ต้องมาฝึกอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกธรรมชาติของจิตนั้นส่งออกนอกตลอดเวลาก็าสแสวงหาอารมณ์หิวอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกาย อยากแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินทางใจการที่จิตมันหิวอารมณ์ไปทางทวารทั้งหกมันทำให้จิตวิ่งพลานออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจับอารมณ์โน้นก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ไม่ได้สมอยากก็วิ่งไปจับอารมณ์ใหม่หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ไม่สมอยากก็วิ่งไปหาอารมณ์ใหม่จิตของเราวิ่งพลาดทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูถามว่าวิ่งไปดูนั่นอยากได้ความทุกข์หรืออยากได้ความสุข จริงๆอยากได้ความสุขแต่ไปดูแล้วมันไม่สมอยากก็ไปฟังอยากไปฟังคิดว่าฟังแล้วจะมีความสุขแล้วมันก็ไม่สมอยากอยากได้กลิ่นอยากได้รถอยากได้สัมผัสที่ดนะีอยากหาเรื่องสนุกสนานทางใจคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขเสร็จแล้วมันก็ไม่สมอยากพวกเรามีคนไหนรู้สึกว่าเราอยากอะไรแล้วเราได้สิ่งนั้นมานะแล้วมันสมอยากมีไหม เต็มที่ร0อซมันจะมีความสุขอยู่ชั่วแป๊บเดียวเองนะแล้วมันจะอยากอันอื่นต่อไปยังไม่เคยมีเมียเลยนะอยากมีสักคนหนึ่งก็มีหนึ่งคนนะก็อยากมีสองคนใช่มมีอยากไปเรื่อยๆมีรถหนึ่งคันโอ้วบ้านเรามีตั้งสามคนต้องมีสามคันอะไรอย่างเงี้ยจริงอยู่ที่ใกล้ๆกันนะก็มีคนละคันความอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆ เมื่อใจมีความอยากนะมันไม่เต็มอิ่มความสุขมันไม่เต็มร้อยมันอยากไปเรื่อยๆหรือบางทีเรายึได้สิ่งที่พอใจมาเราอยากให้สิ่งที่พอใจนั้นอยู่นิรันดรไปซื้อบ้านมาสักหลังนะหวังจะอยู่ตลอดชีวิตเลยเสร็จแล้วก็กงงังวลหนึ่งไฟจะไหม้ไหมน้าจะท่วมไหมอะไรนะมันความสุขมันไม่เต็มร้อยนะความสุขในโลกไม่เคยเต็มร้อยเลย พาะเราลองไปทบทวนในชีวิตของเราดูว่ามีความสุขเต็มร้อยอยู่ตรงไหนเพราะความสุขนั้นไม่ว่าจะวิเศษวิโสแค่ไหนนะมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเลยไม่เคยเต็มใจเมื่อพลานพลานออกไปนั้นหิวตลอดเวลาเมื่อจิตมันสแสวงหาความสุขแล้วมันไม่ได้ตามที่มันต้องการมันจะฟุ้งสั้นฟุงนฟ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ถ้าเราเรู้เคล็ดลับตัวนี้เราก็มีวิธีฝึกไม่ให้จิตฟุ้งซ่านให้จิตเกิดสมาธิคือแทนที่จะปล่อยให้มันเที่ยวหาอารมณ์ที่มันพอใจนะเราก็หาอารมณ์มาให้มันเฉลยอย่างเหมือนจิตเหมือนเด็กเหมือนเป็นลูกเราสักคนหนึงจิตเนี่ยมันหนีออกไปเล่นนอกบ้านมันอยากสนุกอยากเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันไม่ดีเที่ยวร่อนเร่ไปเราหาอารมณ์ที่ดีมาหลอกเด็ก ไปซื้อไอติมมานะมาเรียกให้มันมากินไนติมเรียกให้มันมาดูการ์ตูนซื้อวิดีโอมาให้มันดูอะไรเงี้ยพอเด็กมันได้อารมณ์ที่พอใจนะเด็กมันก็ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นมันก็อยู่ในที่เดียวนะจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตได้รับอารมณ์ที่พอใจจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์ที่โน้นที่นี้จิตจะสงบฉะนั้นเราต้องมาดูว่าตัวเราเองนั้นอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุข แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสมันมีความสุขประเดียวกระดาวนะเดี๋ยวเดียวกิเลสก็ย้อมจิดอีกมันทำผิดศีลก็ได้ทําให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกก็ได้งั้นเราเลือกอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปนะหรือรู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไม่ยั่วกิเลสแนะ่ดูท้องพองยุบก็ได้นะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ ดูเวทนานะก็ได้ดูจิตก็ไดนะ้แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นอารมณ์ใช้ส่วนที่เป็นกายเป็นอารมณ์ก็ได้ส่วนที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้เนะีย่ยสาโคเอนก้าเขดูเวทนานะส่วนมากจะดูมุ่งไปเวทนาทางกายก่อนใ น, ะนพวกเราที่หัดดูจิตเนี่ยทีเราดูจิตทตสังขาร ดูกิเลสดูกุศลอะไรที่เกิดที่จิตดูโลบโกดลงที่เกิดที่จิตเฝ้ารู้ไปเรื่อยหรือบางทีเราก็ดูเวทนาที่เกิดที่จิตได้ด้วยดูจิตเนี่ยมันคล่อมได้หลายหมวดนะได้ทั้งแต่เวทนานุปนัสนาสติปัฏฐานก็ได้จิตตานุปนัสนาสติปัฏฐานก็ได้ขึ้นไปถึงธรรมานุปนัสนาสติปัฏฐานก็ได้เราดู คนไหนถนัดรู้กายนะรู้กายคนไหนถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาคนไหนถนัดที่จะดูจิตใจดูจิตใจแล้วมีความสุขก็ดูจิตไปนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆหายใจหายใจแล้วมีความสุขพอมารู้ลมหายใจนะจิตก็สงบสงบเร็วเลยนั่นเราต้องรู้จักเลือกเราอย่าเรียนแบบคนอื่นนะทางใครทางมัน ไม่ใช่เพื่อนเราเขาพูดโธเราก็ต้องพุดโธเพื่อนเราพองยุบเราก็ต้องพองยุบต้องดูตัวเองเราอยู่อารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็าอยู่อารมณ์ชนิดนั้นะจิตนก็สงบ น, นี่เราฝึกให้จิตใจสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสนั่นแหละเวลาที่จิตมีสมาธิกิเลสหยาบหยาบนะหรือนิวรกิเลสอย่างกลางๆงมาไม่ได้เหลือแต่กิเลสละเอียด เวลาเรานั่งสมาธินะกิเลสหยาบกิเลสกลางเข้ามาไม่ได้ละกิเลสอย่างกลางเช่นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มา ล, นะละเลยกิเลสละเอียดเช่นความพอใจในความสุขความสงบเนี่ยยังมีอยู่เมืนะ่อติดอกติดใจในสมาธิอะไรเงี้ยเป็นกิเลสชั้นละเอียดอันเนี้ยต้องสู้ด้วยปัญญาลนะรู้เท่าทันลงไปเลยว่าจิตที่ทรงสมาธิอยู่ก็ไม่เที่ยง สมาธิเองก็ไม่เที่ยงจิต ท, ที่ทรงสมาธิก็ไม่เที่ยงอ่างเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงวันหนึ่งก็ไม่ไม่ไปหลงรักสมาธิไม่หลงรักความสุขความสงบเพราะสมาธินะพวกเราฝึกเข้าไปเลยนะเราจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปเรื่อยรักษาศีลข่มจิตไว้ไม่ให้ตามกิเลสไปไปชำนานขึ้นมานะมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตก็ไม่ต้องข่มจิตมาก เรามีศีลขึ้น ม, มาเรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขแล้วไม่ยั่วกิเลสนะจิตได้ความสงบได้พอได้สงบแล้วไม่ให้ไปติดอยู่กับความสงบนะถ้ามันยินดีพอใจในะความสงบให้รู้ทันนะหรือรู้ทันได้อีกอย่างหนึ่งจดีมากเลยคืออย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจเนะี่ยให้เราค่อยๆสังเกต ว่าจิตเราไหลไปเกาะที่ลมหายใจหรือว่าจิตสักว่ารู้ลมหายใจถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันจะดีดตัวออกจากลมหายใจจิตกับลมหายใจจะแยกออกจากกันจิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยแต่ไม่รวมเข้ากับลมหายใจด้วยอันนี้เป็นสมาธิชั้นสูงเป็นความตั้งมั่นของจิตที่ถอนตัวออกจากอารมณ์สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละแต่ถอนตัวออกมา ดูท้องพองยุบอยู่แล้วเกิดรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตจะถอยออกจากท้อง้มาเป็นคนดูการที่จิตถอยตัวออกมาเป็นคนดูได้เรียกว่าเราได้สมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปไม่ใช่แค่สมาธิสงบเอาไว้พักผ่อนเพราะฉะนั้นสมาธิเลยมีสแบบสมาธิอย่างแรกจิตไหลเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธเราไม่หนีไปไหนเลยอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวนะ ได้ความสงบหายใจไปแล้วจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยก็ได้ความสงบดูท้องพองยุบนะจิตไปไหลไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปจากท้องเลยได้ความสงบแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปเช่นพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหายใจอยู่เรารู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันหรือใจหนีไปคิดเรารู้ทันดูท้องพองยุบอยู่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะ หรือจิตไหลไปคิดเรารู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะั้น่ะมันจะได้สมาธิชนิดหนึ่งคือจิตไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาแลนะสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดหน่อยนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาะถ้าเราได้สมาธิอย่างนี้เราก็จะขึ้นไปสู่ฐานชั้นที่สามแล้วก็คือการเจริญปัญญานะเราค่อยๆฝึกไป เพราะจิตของเราเป็นคนดูได้แล้วดูอะไรดูกายดูใจมันทำงานนะต้องรู้จักก่อนว่าปัญญาคืออะไรเราจะมาเจริญปัญญาปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะเกี่ยวกับกายกับใจรูปนามขันห้าอะไรของเรานี่แหละรู้ถูกเข้าใจถูกก็คือรู้ว่ารูปนามกายใจขันห้าอายตนะหกธาตุสิบแปด อินซียี่สิบสองเงี้ยมีหลายตัวนะแต่ความจริงก็คือรูปธปรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เราเคยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราปัญญาเนี่ยเป็นการรู้ความจริงเมื่อรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเรานะที่เราจะพัฒนาปัญญานะก็เพื่อจะมาฝึกให้จิตเห็นสิ่งเหล่านี้เอง เราจะพาให้จิตได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพาให้จิตเห็นความจริงนะว่ากระทั่งจิตเองหรือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าปัญญาเราจะเห็นปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้เราะั้นเราต้องรู้กายรู้ใจของเราถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ไม่มีทางเกิดปัญญา ถ้าเม่ไรลืมกายลืมใจนะไม่มีทางเกิดปัญญาเลยนะเวลาเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเราฟุ้งซ่านไปเรามีโมหะโมหะกับปัญญาเลยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะเราก็เดินปัญญาได้ะแล้วปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอามโมหะก็ะไม่มีโมหะไม่หลงไป ถ้าเรามาฝึกตัวเองนะให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะด้วยการฝึกสมาธิที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าจิตไปสงบอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานนั้นได้สมถะได้ความสงบทํากรรมาฐานอย่างเดิมนั่นแหละถ้าจิตเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานหรือไหลไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนะมันมีร่างกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกาย มีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจนะก็รู้สึกถึงจิตใจถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆเช่นความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขกุศลอกุศ ล, ศลเกิดขึ้นรู้ว่ามีกุศลอกุศลเนี่ยเรียกว่าเรามีสติตัวจริงสติตัวจริงเนี่ยจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะมันจะเห็นกายนั้นทางานไป กามีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูเข้าไปเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สติเป็นตัวไปรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตไม่ไหลตามเวทนาแล้วก็ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นเห็นเวทนาอยู่นะะเวทนานะั้นไม่ได้ถูกเพ่งเอาไว้ด้วยถ้าถูกเพ่งมันจะนิ่งๆไปเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้นะเพ่งเวทนาเพ่งจิตใช้ไม่ได้สักอย่างเลยมันจะนิ่งมันแสดงไตรลักษ เนี่ยรามีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่จิตที่ถลําไปเพง่งถ้าเวลาเราเพง่งกายเพ่งใจเพ่งรูปเพ่งนามนะเรารู้ถึงกายถึงใจถึงรูปถึงนามจริงแต่เราจะไม่เห็นไตรลักษณ์อันนีจ้จางทุกขังอนัตตาของกายของใจมันจะนิ่งไปหมดเลยงั้นเราต้องไม่ไปเพ่งให้มันนิ่งเราทำตัวเป็นแค่คนดูสบายๆเนี่ยสมาธิชนิดที่เป็นคนดูถึงสาคัญ ทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิชนิดสงบจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเพราะกายก็นิ่งใจก็นิ่งนั้นต้องฝึกสมาธิให้ถูกชนิดนะบางคนมักง่ายบอกว่าจะเจริญปัญญาต้องมีสมาธิต้องแยกให้ออกว่าเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นถ้าจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีปัญญาแน่นอนเพราะไตรลักษณ์ไม่เกิดอย่างเวลาพวกเราจงใจดูจิตรู้สึกแม่มันจะนิ่งไปเลย ใ่จะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูเวลาดูใใร่างกายมันก็นิ่งไปหมดเลยจ้องนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปเพ่งในกายนะเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเคลื่อนไปเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องให้จิตถอยออกมาหรือรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตจะถอยออกมาเป็นคนดูได้เมื่อจิตเป็นคนดูได้นะร่างกายก็จะเคลือลคล่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง การที่กายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเขาจะแสดงไตรลักษณ์การที่จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเขาจะแสดงไตรลักษณ์นี่แหละหลักของการเจริญปัญญามีสตินะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าเมื่อไหร่ใจลอยใจฟุ้งซ่านมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนี่ถ้ามีสติแล้วแต่ไม่มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะ จิตมันจะไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ในกายในใจร่างกายก็นิ่งใจก็นิ่งรู้สึกถึงกายนะแต่กายจะนิ่งรู้สึกถึงจิตใจนะแต่จิตใจจะนิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเพระฉะนั้นจะแสดงไตรลักษณ์จะรู้ทันความมีอยู่ของกายหรือของใจได้ด้วยสติเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ต้องมีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสมาธิชนิดนี้ชื่อว่าลักคนูปนิชฌานลักขนูปนิชฌาน สมาธิชนิดนี้อภัพไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกถ้าเราฝึกสมาธิชนิดนี้ที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาได้นะรู้ทันใจที่ไหลไปนะมันจะเกิดใจที่เป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเมื่อปัญญาของเราแก่รอบเราจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบัน ถ้าปัญญาแก่กล้าเต็มที่ก็จะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นทุกข์แยมแจ้งเมื่อเห็นทุกข์แยมแจ้งจิตจะสลัดคื น, คนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอีกต่อไปหมดหน้าที่ของปัญญาตรงนี้เองเราก็จะเข้าถึงความเป็นพุทธะ น, นึกถึงภาพพระพุทธรูปนะมีฐานสามชั้นเนี่ยในสุดเราจะเข้าถึงความเป็นพุทธะ พราะว่ามีปัญญาแจ้งนะแต่ปัญญาลอยๆไม่มีนะใสสมาธิเป็นฐานใสศีลเป็นฐานซ้อนกันขึ้นมาเงั้นโบราณสร้างพระพุทธรูปนะที่มีฐานสามชั้นมัมีพระอยู่ข้างบนถ้าขึ้นไปด้วยศีลสมาธิปัญญานไม่ขึ้นด้วยบันไดเราจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วจะรู้ว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราไม่ใช่คนอนาถากำพระหรอก พ่อแม่ของเรามีอยู่จริงๆพ่อแม่เราไม่ตายด้วยอากเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ